50 languages. เจ็ดหเหตุผลบางประการสองเกี่ยวกับอะไไมคุณไม่ได้มาล่ะคะนีนูเยกีบาลิลลดิฉันไม่สบายค่ะ ชาอลลดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะนรลลอารินนาบลลาทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะอาวลูเบดละ่ะเธอเหนื่อยค่ะอาลดน ด, ด เ, เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ เอาวันูได้เนติดได้เลยอดุตัดินดาบัดลล่าทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะเอาวันูเย่เคบันดิลเขาไม่มีอารมณ์ค่ะเอาวันิเกอิชตาวิรลิลเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะเอาวันิเกอิชตาวิรลิลล่าอดุตัดินดาบันดล ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะนี่บูการูย บ, บรลิลละรถของเราเสียคะ่ะนัมมาคารเกติเดเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียคะ่ะนัมมาคารเกติรูดารินดานาวูบรลิลล่ะทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ อวรูกลูเย่เบัดลพวกเขาพลาดรถไฟค่ะอวริไรลูตั ป, ปีโฮตุพวกเขาไม่ได้มาเ พ, พ, พราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะอวริเกไรลูตั ป, ปี่โฮกิดรินดาอวูบัดิลไมคุณถึงไม่มาคะนี่นูเย่เบรลิล ดิฉันไม่ได้รับอนุญาตนน agatebara lu a m a t i ล ล, ลดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตนน a a t e b a r a lu i r a l i l l a a i n d a bara i l l a